วันนี้เป็นวันที่17เจกันยาห้สองเป็นวันในระหว่างวันพระเดือน9เป็นวันที่พวกเราในนัดประชุมในระหว่างมีแต่เฉพาะพระสงฆ์ทำความเข้าใจในภาคปฏิบัติผมเองก็ได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่า ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังลากหลายในแนวความคิดอย่างที่องค์หลวงตาผมได้เข้าไปกราบคารวะท่านเมื่อวานท่านมีอาการอาภาษตป่วยท่านอายุเ7จปีเข้ามาปีนี้ถาดขันของท่านก็รู้สึกว่าอ่อนแรง อ, อย่างมากแล้วก็ มีโรคมีไข้หวัดด้วยแต่พอเข้าไปกราบท่านท่านแสดงความเด็ดเดี่ยวความอาถรรพ์ให้ฟังให้ดูพูดแบบชี้ไม้ชี้มือเลยวงั้นอพูดแบบอาถรรพ์ สรุปแล้วก็คือเหมือนเป็นเวีรเวียรุบผลทางธรรมจริงๆที่ผมได้พบเมื่อวานแต่ผมพบทุกครั้งแ่ะที่ไปอยู่ตามลําพังจะลักษณะอย่างนี้ดวงตาจะแสดงความเด็ดเดี่ยวให้ได้เห็นร้านเมื่อวา น, นก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่านี่นะเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรเรามีแต่ช่วยสงเคราะห์โลกมีอะไรเราก็ช่วยสงเคราะห์ ไม่มีอะไรในใจของเรามีแต่เมตตาแล้วก็สมบัติของเราไม่มีแม้แต่น้อยหนึ่งเรามีแต่ทุ่มเทให้แก่โลกอย่างเราเอาทองคำเข้าคลังหลวงหรือเราช่วยโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นตน้นแต่ส่วนเราเราเนี่ยเราหมดแล้วเราที่หมดที่จะทําแล้วเราเป็นคนว่างงาน เราไม่มีงานที่จะทำว่างกระทั่งจิตใจว่างกระทั่งภายนอกภายนอกก็เราว่างไม่มีอะไรที่จะเข้ามาทำให้เราไม่สบายใจและเราทุกข์ใจไม่มีใจของเราก็ว่างอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกเป็นอนันตการเรงินที่คนมาทำบุญทาทานในงานศพของเรา ให้ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดไม่ต้องเอามาใช้ในงานศพประดับประดาศพของเราให้เอาเข้าให้เกิดประโยชน์พูดในลักษณะอย่างนี้แล้วเมื่อวานย้ำแล้วย้ำอีกแต่ก็มีหลายชั้นเชิงที่ท่านพูดให้ฟังสรุปแล้วก็คือท่านให้เด็ดเดี่ยวอาจฐาน มุ่งมั่นต่อหลักธรรมคำสอนให้ชําระใจให้หมดจดจากกิเลสผูดใดอย่างนั้นที่ท่านพูดเมื่อวานเกือบเกือบชั่วโมงและทั้งที่ท่านแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ขณะตอนเช้าในะท่านจะไม่พูดวันสองวันมาแล้วแต่เมื่อวานผมเห็นแววแห่งความที่พันแสดงความเด็ดเดี่ยว ให้ได้เห็นมิตรพระที่นั่งฟังผมเห็นแล้วเป็นวีรบุรุษทางธรรมจริงๆเป็นผู้เด็ดเดี่ยวจริงๆองหลงตาน่ะหาได้ยากไม่สะทกไม่สะทานบอกว่าอายุของเราขนาดนี้พอแล้วจะเอาอะไรอีกถ้ามันไม่ไหวจริงๆก่อนจะเอาไว้ทําไมก็ต้องทิ้งแต่พอจะรักษาใดก็รักษา ไ, ษาไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกแต่สำหรับเราไม่มีอะไรแล้วนี่จะพูดเรื่องสงเคราะห์อนุเคราะห์ในจิตใจสรุปเรื่องก็คือมีเมตตาธรรมเปลียมอยู่ในจิตใจขององค์ท่านอันนี้แปลว่าผมว่าหาได้ยากเป็นพระพระมหาเทวพระทั้งหมดจดทั้งภายนอกภายในหาได้ยากพูดอย่างนั้นได้ ทําำคำสอ่สองสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าที่ท่านประนามพระองค์ที่มุ่งทางโล ก, กามิส ต, ต้องการลาบยศสรรเสริญท่านประนามพระเทวทัตอยู่ที่กรุงราชคฤห์ท่านโมเทวทัตท่านจะมุ่งหวังอะไรกับทางโลกต้องการลาบต้องการยศเหรอ ต้องการไปทําไมต้องการลาบยศสัรเสริญสุขทางโลกนะมันเป็นเขละเป็นน้ําลายของพระอริยะเจ้าเป็นน้ําลายของพระอริยะเจ้าถุยออกไปแล้วเธอยังจะไปกินน้ําลายของพระอริยะเจ้าอยู่เหรอพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงขนาดนั้นใอ้แค่ว่าโลกามิตรทั้งหลายลาบทั้งหลาย เงินคำทรัพย์สมบัติชื่อเสียงลาบยศสเสริญทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านละทิ้งหมดแล้วเหมือนกับน้ำลายที่ท่านถุยออกจากปากของท่านแต่ปุถุชนคนหนานด้วยกิเลสถือว่าเป็นของดับของดีพ่อมพากันเอาน้าลายของพระอริยะสาวกกืนกินน้ำลายของพระอริยะสาวกทั้งหลาย ท่านเป็นพระอาหารหันต์อันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงขนาดนั้นจากนั้นพระเทวทัตทั้งที่จะรู้แจ้ง เ, เบื่อแล้วก็เห็นโทษกลับหาว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ดูถูกเกียดตยามตัวเองอีกต่างหากถึงหาว่าพระพุทธองค์กันแกล้งว่าไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้ศักดิ์ศรีตัวเองผลนั่นกือว่า เอาะเราจะต้องโคนบรกพุทธเจ้าให้ได้ลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นะคนพลาดทั้งที่น่าจะฟังให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมกลับฟังไปในทางโลกผูกพยาบาทอาฆาตไปอีกทนีจากนั้นพวกพระเทวทัตก็เข้าไปสมคบกับพระเจ้าวิชาตจัตรูที่เป็นเจ้าฟ้าชายหนุ่มอยู่แต่พระบิดาของท่านก็นยังอยู่พระเจ้าพิมพิสาร เขาไปบอกว่าเนี่ยอศาศาสตูก็แสดงฤทธิ์ให้อีกนะเพราะท่านเป็นพระเทวทัตได้โรกิยะชานโรกิยะชา น, ชานคือเหาะได้วนะ่างั้นแสดงฤทธิ์ได้โรกิยะชานก็ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นชานของฤาษีเหาะได้แสดงฤทธิ์ได้แต่ท่านคนเนี่ยทำตัวเหมือนกับเป็น เ, เทวดาแล้วเป็นบุคคลสําคัญ เหาขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งบนพระเปลาของพระเจ้าอาซ่าศัตรูที่เป็นกุ ม, มาร น, นั่งอยู่บนปราชาดชั้นสูงสุดว่างั้นะเลยไปนั่งบนตักพระเจ้าชาซาศัตรูไอ้ที่เป็นกุ ม, มารก็ร้องโวยวายขึ้นเพราะว่าเอาผ้าสังขารตีพันคอเหมือนกับงูว่างั้นเลยพอแสดงฤทธิ์เนี่ยจากนั้นก็เทวทัตก็ปรากฏว่าเราไม่ใช่อื่นไกลาอาช่าศัตรูเราเนี่ย เป็นพระเทวทัตนที่จะมาช่วยท่านเนะ่นีแน่แหละเนีน่ยแหละให้บบคนให้พวกเราฟังๆเอาไว้นะคนพาลภารละชนที่จะเข้ามาหาพวกเราเราจะมาช่วยท่านท่านคิดดูให้ดีสิพระบิดาของท่านยังหนุ่มมากแต่คงตรงพระองค์ก็เป็นลูกชายก็ยังหนุ่มมาก กว่าที่จะพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาของท่านแกง่อมแล้วก็ ส, สวรรคตพระองค์ก็ต้องแกงอมอีกเหมือนกันเพราะพระบิดายังหนุ่มแน่นอยู่ทางที่ดีควรจะกําจัดพระบิดาของท่านซะเป็นพระเจ้าเป็นดินแทนเป็นพระเจ้าเป็นดินเมื่ออายุแก่จะเกิดประโยชน์อะไรต้องเป็นเมื่อยังหนุ่มจะ้ะอ่าพระเทวทัตแนะนํา นั่นแหละคนพ า, าลพาระชนต้องแนะนำอย่างนั้นไม่ได้คิดดีคิดแต่ว่าจะทำยังไงตัวเองจะเป็นใหญ่ตัวเองจะมีความสุขใครจะมีเรื่องอะไรเรื่องอย่างอื่นนั้นไม่ได้สนนี่แหละพาระชนคิดอย่างนั้นแต่นี่ก็วางแผนเมื่อเธอฆ่าไปเจ้าพิมพิสารแล้วฆ่าพระบิดาแล้วกาจัดพระบิดาแล้วเราเองจะกาจัดพระพุทธเจ้าเหมือนกัน เราจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนนะเขานะีอันนี้เป็นความรับของเรานะนั่นแหละอันนั้นแหละคือการวางแผนขั้นแรกนะจากนั้นพระเทวทัตก็จ้างนายคำบางธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอ่าพูดอย่างโรบลัตให้พวกเราได้ศึกษาแต่นายคำบางธนูเหล่านั้นก็ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เสร็จแล้วก็ พวกนั้นก็เคารพนับถือฟังธรรมได้สําเร็จพระสูดาบันจากนั้นพระเทวทัตแค้นใจใหญ่ให้พระเจ้าซาสตรูปล่อยช้างนาฬคิริงเพื่อจะบทขยี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบินระบาดกับพระสงฆ์พระองค์แผ่เมตตาอีกช้างนาฬคิริงก็หมอบอีกพระเทวทัตยังไม่ลดละความพยายาม ขึ้นไปอยู่บนยอดเขากิจกูดที่ทางแคบๆที่พระพุทธองค์จะเสด็จผ่านพระเทวทัตกลิ่งหินลงมาอีกหินมากระทบหินหินก้อนหินกระทบก้อนหินสเก็ดหินกระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้ายังพโลหิตให้หอกพระพองค์บอกว่าถ้าไม่ให้กระทบสะเสลยก็ได้แต่นี้เทวทัตเขาจะเสียใจมาก เมื่อเสียใจแล้วหัวใจของเขาจะแตกในขณะนั้นพระพุทธองค์อย่างมีเมตตากับเพาอยู่เพราะาฉากสุดท้ายนั้นเมื่อแผ่นดินสุกแล้วเขาจะระลึกถึงคุณงามความดีเขาระลึกเขาระลึกถึงโทษของตนเองนี่พระพุทธองค์มองเห็นแล้วเขาจะระลึกถึงโทษโทษในการกระทำของตนเองเขาจะขอโทษในครั้งสุดท้ายนั้นพระพุทธองค์ก็เอา เอาพระบาดรับก้อนหินที่มันกระเด็นมายังพระโลหิตให้หอกเทวรัตก็ได้ใจจากนั้นพระชาติตรูก็ถวายอาหารแก่พระเทวทัตวันละห้าร้อชํารับรกันว่าวริหวานของพระเทวทัตมากพระเทวทัตอุดมสมบูรณ์ด้วยราบยศราบยศสนเสริญจากพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชาคฤห์ที่เป็น พระเจ้าเป็นดินหนุ่มที่สําเร็จโทษพระบิดาคือพระเจ้าพิพิสารไปแล้วนะเนี่ยจากนั้นมาก็คนทั้งหลายก็รู้แล้วว่าพระเทวทัตเนี่ยวางแผนทําร้ายพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายก็ไม่ศรัทธาเสียงทั้งหลายก็ออกไปกระจายออกไปทําให้พระเจ้าชาติตรูที่จะคข้กับพระเทวทัตต่อไปไม่ได้ก็เลยหยุดในการ ให้การสนับสนุนเพราะว่าคนทั้งหลายปรนามเอาแต่ละขืนทําไปกบราช จ, จบัลลังก์จะพังเลยเนี่ยก็เลยปล่อยพระเทวทัพระเทวาก็เสื่อมราบเพราะว่าขาดพระเจ้าอาซาจะตูให้การสนับสนุนจากนั้นตัวเองก็เลยเข้ามากราบพระพุทธเจ้าข อ, ขอประทานพรวัตถุห้าประการพระพุทธเจ้าก็ว่า ใครต้องการปฏิบัติก็ปฏิบัติเราจะไปบังคับอย่างนั้นไม่ได้เทวทัวตเธออืจะมาอะไรกับเราอีกแต่น้ำพระเทวทัตก็เลยประ ก, กาศขึ้นมาว่าข้าไปเจ้าจะไม่หลงอุโบสถสังกัลรมเข้าไปเจ้าจะแยกการเป็นอยู่กับพระโพธิจาวพระโพธิองก็ไม่ว่าอะไรจากนั้นก็ไปแยก แยกพระสงฆ์ออกไปเนละ่ะอันนี้ก็คือพระเทวทัตทาตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาตนทะเยอทยานในลาบในยศในสนเสริญในสุขทางโลกเพราะพระเดจ้าวบอกว่าลาบยศสนรเสริญสุขทางโลกเป็นเขระของพระอริยเจ้า เป็นน้ำลายของพระอริยะเจ้าที่ท่านถุยทิ้งแล้วแต่พวกเราจะแย่งกันมาแย่งน้ำลายของของผู้ทิ้งแล้วเหรอถุยน้ำลายเกณฑ์เรา น, น้ำลายท่านั้นก็ขยะขยังท่านถุยทิ้งอีก เ, ออเรายังไปแย่งน้ำลายอีก เ, ออเราควรจะเอาธรรมออพอพุทธจ้าท่านควรจะเอาธรรมธรรมะ ที่พระพุทธองค์ได้สอนอย่างไรให้พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจศึกษาเราจะปรับปรุงเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจของเราอย่างไรตัวของเราต้องเป็นตัวของตัวต้องพึ่งตัวเองให้ได้พระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองอัตติอัตโนนาโถต้นแลปิติพึ่งของตนเราอย่าไปคิดพึ่งอย่างพึ่งครูบาอาจารย์ พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ใช่พึ่งในระดับหนึ่งแต่ส่วนลึกแล้วควรจะพึ่งตนเองเราไปอยู่นสถานที่ใดอยู่ที่ใดให้พยายามพึ่งตนเองเมื่อเราเป็นไปเป็นครวญเราค็ให้พึ่งตนเองถ้าว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้อย่าไปหวังเลยเราจะไปพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งวงศาคณาญาติพึ่งใครๆมิตรสหายเราพึ่งไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเราพึ่งตนเอง เป็นอันดับแรกได้แล้วจากนั้นเราก็พึ่งพี่พึ่งนอง้องเพอๆเราจะให้คนอื่นพึ่งอีก เ, อเราพึ่งผู้ใหญ่แต่เราก็ให้ผู้น้อยพึ่งเราได้อาศัยซึ่งกันและกันเพราะเราอยู่ในมวลมนุษย์เราก็ต้องมีผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้น้อยเราให้เขาพึ่งอย่างไรกับเราเราจะพึ่งผู้ใหญ่เราพึ่งอย่างไรที่เหนือกว่า ที่ท่านมีความรู้กว่าเหนือกว่าทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกก็คือทรัพย์สมบัติสิ่งที่จะเกือ้อกูลหนุนเราได้ส่วนภายในก็คือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ท่านจะแนะนําสั่งสอนเราเป็นที่พึ่งทางจิตใจที่เราติดขัดอย่างไรเราไม่รู้อย่างไรเรามีปัญหาอะไรคาใจของเราติดใจของเราเราแก้ไม่ตกเราก็เข้าไปหาท่านท่านก็จะติดชีแ้แจงให้ฟังอันนี้คือ เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจแต่ที่ภายนอกถ้าเราขัดสนมีความจำเป็นอันนี้เราก็ไปข อ, อ, อหรือว่าขอความอนุเคราะห์จากท่านถ้าท่านผู้มีธรรมท่านก็ให้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมมันขัดข้องจริงๆที่ท่านพอจะช่วยได้ท่านก็ต้องช่วย อ, อ, อันนี้ถ้าท่านผู้มีธรรมนะครับพึ่ง เ, เมื่อคราวจำเป็น ในเมื่อเขาไม่จำเป็นก็เราต้องพึ่งตนเองก่อนถ้าเราไม่ดีสักอย่างเราไม่เป็นตัวของตัวสักอย่างอะไรคนหลักรอยไปหมดทาหน้าที่การงานก็ไม่เป็นเรื่องอาการศึกษาก็ไม่เป็นเรื่องคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นสาระเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นเรื่องสินธรรมในจิตในใจของเราก็เสื่อมถอยสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ชั่วช้าลามก สิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาได้ทั้งหมดเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วเราจะไปพึ่งพาอาศัยใครเพราะความชั่วมันพึ่งไม่ได้นะมันไปพึ่งไฟนะมันมีแต่ร้อนมันมีแต่จะเผาตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราต้องคิดให้ดีเนื้อเมื่อเราอยู่เป็นอยู่ในสถานะไหนเมื่อเราเป็นพระต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะเป็นพระที่มีอายุพรรษาสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมเราก็จะเป็นฆราวาสญาติโยมสูงฐานะฐานะสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เราต้องทําตนให้เป็นคนดีสร้างฐานะให้แก่ตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าริคิดริพูดริทำทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถ้าพวกเราคิดในใจอย่างนี้ไปอยู่เสมอนั่นแหละความเจริญ รุ่งเรืองเตื่อความผาสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่นาสถานที่ใดก็อยู่เถอะที่ไหนแหมีแต่ความสงบปลอบเย็นเป็นสุขทาง จ, จิตใจวันนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถึงจะมีเวลาน้อยก็ให้ไปให้มีเวลาที่เป็นแนวความคิดให้ดีที่สุดในขณะที่เราบวช ในเมื่อเราได้ลาศิกาลาศึกษาลาเพศไปแล้วเราก็ให้คิดดูว่าเมื่อเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเรามีแนวความคิดอย่างไรเราได้ศึกษาอย่างไรแนวความคิดนี้จากนั้นเราก็ได้นำไปปรับปรุงแนวความคิดของตนเองจากนั้นกายวาจาของเราด้วยผมมั่นใจเหลือเกินว่าพวกเราเอาจริยธรรม เป็นเครื่องนำทางหรือว่าเป็นเครื่องประครับประคองทางจิตใจแล้วพวกเราจะไม่หลงโลกหลงทางจะรู้ทั้งทางโลกจะรู้ทั้งทางธรรมธรรมคือความถูกต้องโลกก็คือสิ่งต่างๆโลกกับธรรมแปดเราก็จะรู้ได้เราจะวางตัวถูกแต่ถ้าว่ากเราไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำแล้ว เราอาจจะหลงลืมตัวได้ง่ายเผอเพออาจจะถามว่าข้าเป็นใครฮอขนาดตัวเองยังหลงตัวเองว่าข้าเป็นใคระที่แท้กับข้าก็าคืออจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายแล้วจะเป็นใครตายด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องว่าใครละ่ะอตอบอย่างนั้นได้เพราะนั้น อ, อย่าลืมตัวข้าเป็นใครใครก็ตามเแอะตายด้วยกันทั้งนั้นเยตายแล้วกระดูกตัวเองก็ยงัง ยังออกไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องลืมตัวนี่แหละสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดตามแนวแถวของพุท ธ, ธะเพราะพระตเจ้าท่านคิดไม่ให้ลืมตัวอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าลืมตัวในฐานะสูงต่ำขนาดไหนก็เถิะ อ, อย่าลืมตัวถ้าลืมตัวไปแล้วไม่เป็นที่สบายใจหรือไม่เป็นที่ผู้ที่ได้พบเห็นกับเรานั้นไม่ราบรื่นอ่า ไม่รับรื่นทาง จ, จิตใจในการเป็นอยู่ด้วยกันกับกลุ่มนั้นๆหมู่นั้นๆถ้าคนลืมตัวไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนฮะอย่างผมนี่ยคือเหมือนกันถ้าผมว่าเราเป็นใครฮะถามพวกท่านทั้งหลายเยพวกท่านทั้งหลายถึงจะไม่พูดออกปากจะแด่ว่าหลวงพ่ออินลืมตัวจะแล้วเนี่ยในฐาะตัวเองยังไม่รู้จักว่าหลวงพ่ออินมก็ค่าเป็นใครยังถามพวกเราอีกฮะ โง่เซ่อขนาดไหนพวกเราก็คงจะคิดอย่างนั้นขึ้นมาอีกในใจแต่ถึงจะไม่กล้าพูดออกมาข้างนอกก็คิดในใจนี่แหละใครให้รู้จักสถานะของเราเราอยู่ในสถานะไหนควรจะทำอย่างไรให้เหมาะสมให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้สบายใจกับทุกคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะแนะนำพร้อมที่จะดุด่าว่ากล่า ไม่ใช่จะว่าจกย่องสนรเสริญอย่างเดียวนะดุดาว่ากล่าวถ้าว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นธรรมถึงจะดุดาว่ากล่าวก็ให้ออกมาจากความเมตตาคือความเป็นธรรมชื่อเมตตาเป็นหลักเราไม่ได้ดุดาว่ากล่าวด้วยการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องของทำคำสอนทำคาสอนของพระพุทธเจา้าอันนั้นเป็น เรื่องของกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงแต่ถ้าว่าถึงจะว่ากล่าวรุนแรงหรือจะว่ากล่าวสุภาพหรือจะว่ากล่าวธรรมดาแต่ให้สัมพยุต ด, ด้วยเมตตาแต่ว่าคนคนนั้นเขามีนิสัยหยาบถ้าพูดยังไงเขาก็ยังดันทุลังพูดยังไงให้ฟังดันทุลังแต่เราก็บอกว่ามันผิดเนี่ยเหมือนกันเดดเ เหมือนกระเด็ดจะไปจับไฟนะผู้ใหญ่เห็นแล้วถ้ามันไปจับถ้าไปจับไฟฟ้าเนะี่ยมันช็อตแน่อันตรายแน่ผู้ใหญ่ก็ต้องตะเพิดยาจับนะนอันตรายต้องดุแต่ถึงยังไงก็ดูด้วยความเมตตาว่าถ้าไปจับกับการดุนั้นอันไหนเสียหายมากกว่ากันถ้าการดุนั้นถึงจะดุก็จริงอยู่ทาให้เด็กตกใจก็จริงอยู่ แต่ว่าเป็นประโยชน์สำหรับเด็กนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราเรามีเมตตาเราจะแนะนำสั่งสอนลูกน้องของเราเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ถึงเราจะดุด่าว่ากาวกระดุดาด้วยความเมตตาเหมือนกับผู้ใหญ่เตเพิดหรือว่าให้เด็กเขาหยุดในการจับไฟฟ้าอย่างนั้นไฟมันจะชอ็อตพอเห็นเขาจะจับเราก็ต้องเปียดตะโกนอย่างแรงเ พ, ออรเพราะอะรเพร่อให้เขาหยุด อันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเรามีเมตตาในกิจใจอยู่นัสถานที่ใดเมื่อเป็นหัวหน้าหรือเป็นเท่าแก่เขาหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะมีความอบอุ่นในการเป็นอยู่น้นๆในกลุ่มน้นๆในชุมชนน้นๆแต่ถ้าหาว่าถึงจะไม่พูดไม่จาอะไรก็ตามนิ่มๆแต่ว่ามีแต่ความอิจฉ้าพยาบาทกันมีอะไรก็ แทงหลังกันอยู่เรื่อยไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนั้นถึงจะอยู่ด้วยกันก็หาความสงบโปร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้หาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าไม่มีเมตตาธรรมในจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราสร้างเมตตาธรรมในจิตใจจุดนี้ให้มากถ้าพวกเรามีเมตตาธรรมในจิตใจแล้วอยู่ชุมชนใดกลุ่มใด จะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้น้อยเราก็รู้จักว่าผู้ใหญ่เขามีอะไรเขาจะให้ทำอย่างไรถ้าว่าเราเป็นผู้น้อยเราทำตัวไม่ดีอยู่ในปกครองของพ่อของแม่ของบริษัททางร้านหรือใครก็ตามหรืออยู่ในวัดของผมนี่ก็ตามถ้าเราเป็นอาจารย์ถ้าเป็นหลวงพ่อถ้าเราทำตัวไม่ดีอย่างนี้อาจารย์จะมีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเราเป็นทาตัวถ้าเมื่อเราเป็นอาจารย์ถ้าลูกน้องอย่างเราทาตัวอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรไง เ, เหมือนกันเพราะนั้นเราไปอยู่ณสถานที่ใดเมื่อเราเป็นลูกเราก็พยายามจะทำตนให้เป็นลูกที่ดีอย่าให้พ่อแม่หนักใจในเมื่อเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็จะให้ครูบาอาจารย์หนักใจกับเราถ้าเราเป็นลูกน้อง จะให้เท่าแก่หรือว่าผู้บังคับบัญชาเรานักใจกับเราในเมื่อเราเป็นเท่าแก่ผู้เหมือนกันอถ้าเป็นเท่าแก่ถ้าเราทําตัวไม่ดีที่ลูกน้องมาอยู่กับเราอย่างพวกท่านทั้งหลายมาอยู่กับผมผมพูดอะไรเถอะเถอะเลอะเลอะ้วทำอะไรออกไปไม่ถูกต้องพวกท่านเท่าอู้หน้าละอายหลวงพ่อเนี่ยทำไมทําอย่างนี้พูดอย่างนี้หน้าละอายจริงๆอย่างนี้ เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันถ้าว่าเราเป็นลูกน้องถ้าเราทำตัวแบบนี้ดีอย่างเนี้ยทำทาตัวอย่างนี้ลูกน้องเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรคือสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเอาใจเราไปใส่ใจเขาทั้งผู้น้อยทั้งผู้ใหญ่ถ้าคิดได้อย่างนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าการเป็นอยู่ณสถานที่ใดก็าตามความสงบพร่มเย็น เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มนั้นๆแน่นอนอาจากนั้นก็นเมื่ อ, อปุคละปุคละสัปปายะแล้วบุคคลเป็นที่สบายอยู่ด้วยกันแล้วยังค่อยหาทรัพ ส, สมบัติภายนอกเมื่อชอ ส, สแสวงหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกเหล่านั้น ก็หลั่งไหลเข้ามาสู่พวกเราเฉลือเผื่อแผ่แบ่งปันกันโดยเป็นธรรมเมเื่อแผ่กันเฉลือเผือแผ่กันโดยธรรมยศถาบรรดาศักดิได้มาก็เฉลือเผือแผ่การเป็นธรรมโดยการเป็นธรรมในชุมชนนั้นก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่มีการอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันนี่แหละอันนี้ก็คือ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้การเป็นอยู่จัดว่าเป็นหมวดสินนะจัดว่าเป็นหมวดสินแต่ถึงยังไงศินนี่แหละถ้าว่ามันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วขาดสินจิตใจเป็นคนละทิ์คนทางไม่มีอะไรคุ้มครองกายวาจาของเราแล้วทําตามอัตถาใจทําตามอําเภอใจัยทำยับทำตามที่ ในใจอยากจะทําพูดออกไปอย่างที่อยากจะพูดทําที่อยากจะทําโดยมากความอยากตรงนั้นอ่ะมันจะไปทางต่ําไปทางกิเลสโลบบ้างโกรธบ้างหลงบ้างราคะบ้างโทสะบ้างมันจะไม่ค่อยไปตามแนวแถวธรรมะคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมเพราะนั้นพวกเราต้องฝึกฝึกตนเองในจุดนี้พยายามฝึกดูตนเอง พยายามฝึกดูใจของตนเองถ้าเราฝึกดูตัวของเราทีละน้อยละน้อยเออคล้ายๆกว่าการกระทำอะไรก็ตามการจะพูดอะไรก็ตามให้มีสติสัมปชัญญะไว้อยู่เสมอนะเออตัวนี้นะตัวที่สำคัญบางคนก็อย่างว่าเวลาโมโหโกธาขึ้นมาแบบเปี่ยงป้างออกไปจนลืมเนื้อลืมตัวจนตัวสั่น่างนี้ นั่นก็มีแต่ตามไม่จริงสิ่งเหล่านั้นเราต้องคิดเอาไว้เราเนี่ยหนักไปทางโทสะนะให้รู้จักนิสัยก็ตนเองให้อ่านนิสัยตัวเองอีกส่วนหนึ่งเราในหนักไปทางไนายว่าอยู่ตามน้ำพังเราในหนักไปทางกามมกิเลสใช่ไหมใจของเราหมุกมุ่นไปทางกามมกิเลสใช่ไหมเลิกหนักไปทางโทสะถ้าหนักไปทางโทสะถ้าใครพูดให้ฟังหนึ่งมันขุ่นเคืองมันฟูดฟาดขึ้นมาเรือจะยั้งตัวไม่อยู่ อันนี้เราหนักไปทางโทสัท์ความโกรธหรือเราหนักไปทางราคาหนักไปทางราคาเนี่เราก็พิจารณาอีกอย่างหนักไปทางโทสัตธ์เราก็ใช้แผ่เมตตาเนียเบลเปเมตตาทาเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขให้ผิดไว้ในใจเ อ, อย่างนี้ไว้เอาไว้เพราะคนเรามันต้องมีผิดมันต้องมีถูกเราก็ดี เราเกิดมาทั้งทีชีวิตเดือนปีวันเดือนปีที่ผ่านมาเรามีแต่ถูกอย่างนั้นอย่างเดียวใช่ไหมให้ถามตัวเองข้าพเจ้ามีแต่ทาถูกอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราคิดตรวจตราดูให้ดีแล้วเราก็มีผิดมีผิดบางครั้งก็ผิดเจตนาบางบางทึงไม่เจตนาบางังบางทีก็สู้อารมณ์ของตัวเองไม่ได้มันทวง ทะลุทะลวงไปยังไม่อยู่บังดังที่มันผิดอย่างนี้เพราะนั้นเราก็มีผิดเหมือนกันทุกคนก็ต้องมีผิดเหมือนกันถ้าว่าเขาผิดโดยเจตนาจริงๆหลายครั้งต่อหลายหนอันนั้นเราก็ต้องบอกกล่าวเตือนให้เขาแต่ถ้าบางครั้งบางคราว เ, เสียดเสียดสิ้นสิเราก็ให้อภัยไปก็จบจบกันไปแต่ถ้าว่าเราไป จำกัดจำกเกีย่ยทุกสิ่งทุกอย่างมองเขาอยากจะให้เขาถูกทุกจริงทุกอย่างแล้วไม่คิดว่าตัวเองผิดจะเลยอันนั้นมันไม่ถูกนะแหมไปว่ามองคนในแง่ร้ายไม่มองคนในแง่เหตุไม่มองคนในแง่เหตุผลอันนั้นไม่ถูกต้องใจของเราจะวิตกกังวลแหมใจทังตนจจวิตกกังวลแหมคล้ายกับ คิดว่าตัวคนตัวเองถูกคนอื่นผิดอยู่ตลอดไปลำเวลาใจของเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าใจอย่างนั้นนี่แล้วสรุปแล้วก็คือใจอิดชา้าในจิตในใจใจคิดพยาบาทในจิตในใจมองคนในในแง่ร้ายให้เขามองมอ ง, มองไม่มองคนในแง่ดีวิตกกังวลเนีเ ดูตลอดเวลาไม่มองตัวเองเวลาตัวเองมนาะทำยังไงตัวเองหลหลบซนซ่อนหลบหลบปริก่ยแต่คนอื่นนะอยากจะให้ทาถูกต้องตามที่ตัวเองอยากจะให้มันเป็นแต่ตัวเองนั้นไม่มองตัวเองทาอะไรลบหลบริกฤตเลี่ยง อันนี้ก็คือธรรมะรำรคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้มองตอนเองนะให้มองตอนเองอย่าไปมองแต่คนอื่นเขาสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาศึกษาธรรมะแล้วก็ให้นำธรรมะทาคสอนของพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปดับลงชีพและไปดับลงชีวิตของเราถ้าพวกเรา มีทำแต่ละแง่แต่ละมุมแต่ละแนวความคิดไปวิเคราะห์หรือต่อเติมให้มันเกิดประโยชน์ความผาสุขหรือความร่มเย็นในการดำรงชีพของพวกเราผมมั่นใจเหลือเกินว่าพวกเราจะมีความสุขเรื่องเราเรื่องร้ายๆท้งหลายทางปวงร้ายๆท้งหลายทางปวง จะไม่มาสู่พวกเราเพราะว่ามุกพวกเรามีเกาะมีที่พึ่งเหมือนกับเราอยู่ในสนามเพาะ อ, อย่างนั้นนะเราเอาธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเกาะ เ, เ, เป็นเครื่องกําบังเราเราจะอยู่ด้วยความสงบผ้าสุขลมแดดฝนกระเพือพัดชัดศาตรเข้ามาเราก็อยู่ในมุมสงบ พอเรามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองเราเอาธรรมะเป็นเครื่องป้องกันตัวก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดในรอบครอบซะก่อนผิดศีลไหมผิดธรรมไหมเขาล่ะเราล่ะผิดใจเขาไหมถ้าเราทำอย่างนั้นผิดใจเราไหมถ้าเราทำไห้แก่เขาถ้าเขามาทำไห้แก่เราผิดใจเราไหมถ้าเราไปพูดอย่างนั้นไม่แก่เขาผิดใจเขาไหม เขาเราเขาเราถ้าเราคิดไว้อย่างนั้นไว้อยู่เสมอแต่บางครั้งมันก็ไม่ทันมันอย่างว่านะถึงจะไม่ทันมันผ่านไปแล้วเราก็ให้ถือเป็นบทเรียนเอาไว้ต่อไปเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกถ้าทําอย่างนี้เข้าไปแล้วเสียหายนะเราจะไปทําแบบพั่มเพื่อนะเราจะไปทําแบบไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดไว้ในใจอันนี้คือ การเป็นอยู่ของพวกเราถ้าเราคิดอย่างนี้ถึงเราจะเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นพระผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็จะดำรงทรงศาสนาด้วยความร่มเย็นผาสุขถ้าเป็นครว่าตเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อของเขาเป็นปู่ย่าตายายของเขาก็ดูแลลูกหลานด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุข เพราะเราอยู่โดยทำนะทำคุ้มครองทำคุ้มครองถ้าทำคุ้มครองแล้วมีแต่ความสงบเยือกเย็ น, นถ้ากิเลสคุ้มครองแล้วถ้าเอากิเลสเข้ามาปฏิบัติแล้วมีแต่ความเหมือนกับเอาไฟมาเผากันอย่างนั้ น, น, ะนะไฟมาเผากันมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนะ ดันั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่เข้ามาศึกษาในพุทธศาสนาผมเองก็พยายามชี้นาชี้เนี่ยสิ่งไหนที่จะเกิเกดประโยชน์สําหรับพวกเราทาั้งทานทาัน้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็พยายามแต่การบวชในครั้งในผมจะเน้นหนักเรื่องการเป็นอยู่เรื่องศีลมากกว่าถึงอย่างไงเรื่องทาน เรื่องทานเมื่อเราเป็นกราวาสแล้วอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ควรจะมองข้ามเหมือนกันการสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างพวกอย่างผมที่พาทำทำให้หมูพวกเพื่อนได้เห็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เรื่องต่างๆอย่างวันนี้เขาเขามาขอคอมพิวเตอร์เรามาขอไปใช้ในสานักงานส่วนราชการ ผมก็อเอาให้ลูกพ่อเราคิดว่าพอเป็นไปได้ของเพียงเล็กน้อยแต่จะให้เขาซื้อเอง่เขาคงจะซื้อยากพเพราะมันเป็นเงินก้อนโตพอสมควรสำหรับคนคนเดียวจะซื้อเลาจะลงขันกันก็ไม่ใช่ผู้ที่ยากจนผู้น้อยราชการผู้น้อยก็มีเราพอที่จะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เนี่ย คือเราอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมเราก็ช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์จัดวัดเป็นฐานะใ น, ในการเสียสละในเมื่อเขาต้องการมีความจำเป็นเราก็พร้อมที่จะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ออขเขาได้อันนี้ก็คือฐานะในการเสียสละน้อยไปหาใหญ่ใหญ่ก็อย่างที่ผมประกาศให้แก่มูพวกเพื่อนได้ฟังนี่แหละ หลายครั้งการทำบุญไม่ได้มองข้ามประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอันนี้ก็คือฐานะสินก็คืออย่างที่ผมได้กล่าวในวันนี้การเป็นอยู่ของพวกเราควรวางตัวอย่างไรอันนี้คือสินส่วนสมาธินั้นก็คือความคิดทั้งด้านปัญญาและด้านจิตใจตัวนี้เป็นเรื่องที่แต่เรื่องสมาธินั้น ในหลักของพระพุทธาศาสนาหรือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสมาธินี่มีวงจํากัดมีวงจํากัดสมาธิคื อ, ค อ, คอทํามจิตใจให้สงบคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิมีอยู่เพียงมีเพียงสามขั้นในการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติคณิกะคืออะไรอุปจาระคืออะไรอัปปนาสมาธิคืออะไรนี่ผมก็เคย พูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาใน m อ3ก็มากมายการนิกะคือคอทำจิตใจเข้าสู่ความสงบชั่วขณะอันเลคาณิกะอุปจาระคือสมาธิที่คมุมควบคุมจิตใจไม่ให้ปูงฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่ในกรอบคือค่ายวัตีกรอบให้จิตใจอยากจะให้คิดเรื่องอะไรก็คิดในจุดนั้น ไม่ให้มันพลาดบางั้นเถอะไม่ให้มันพลาดออกนอกรูกออกทางไม่ใช่คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนั้นปงุปงเรื่อปุลผลที่สุดหาจุดจบจุดยืดดนไม่ได้ผลที่สุด ก, ก็เลยจิตใจไม่อยู่กับเนือ้อกับตัวอันนั้นไม่ได้ถ้าจิตอุปจาระสมาธิเนี่ยค่ายๆแบบบังคับให้หยุดคิดเรื่องอะไรจะคิดเรื่องนั้นแล้วก็ละเอียดอันนี้อุปจาระสมาธิสรุปแล้วก็คือจิตไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่าน ไม่หิวไม่โหยจิตอยู่จิตทำงานจะให้ทำงานจิงไหนจิตใจของเราทำงานจุดนั้นด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิดัง น, น, นั้นจิตปล่อยวางจิตไม่จึดมั่นถือมั่นไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งหมดให้เข้าว่าจิตนอนจิตพักผ่อนอย่างเต็มที่ ไม่ออกส่งออกไปที่ไหนมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็ น, น, น, น, ป น, น, น, นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นอันนี้เราอัปปนาสมาธิเมื่อถอนแต่จิตประเภทนี้จะไม่ได้ยินเสียงภายนอกหรือว่าเรานั่งอยู่รสถานที่ใดเราจะไม่รู้ทั้งนั้นเห็นแต่สติกับจิตเท่านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่า เรื่องอะไรเสียงภายนอกเราจะไม่ได้ยินเราอยู่ในสถานะไหนเราจะไม่รู้ว่าเราอยู่นาที่ใดในขณะนั้นมีแต่สติกับจิตกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวจากนั้นได้กำหนดหมดพลังเข้ามนมันก็ถอนขึ้นมาอีกถอนขึ้นมาก็มาอยู่ในอุปจารสมาธิจากนั้นเราจะนามาพิจารณาทางด้านปัญญา เราก็พิจารณาได้แต่ถ้าไม่ถาไมบังคับมันจะไม่ออกอย่งเมือนกันเพราะมันติดในความสุขแห่งความสงบจิตติดในสมาธิคือความสงบจุดนั้นเราต้องบังคับคล้ายๆว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตอยู่ในสมาธินา น, า น, านจิตที่ไม่คิดจิตที่ไม่นำไปพิจารณาจิตที่นอนจมจนเกินไป จะไม่เกิดประโยชน์อันนี้คือเราได้ฟังได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วติดสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าสมาธิเนี่ยคือเป็นเครื่องพักผ่อนทางจิตใจชั่วค้างชัวขาวเท่านั้นเราจะให้นอนเป็นตีเป็นเดือนพอเข้ามาจิตเข้าสู่ความสงบแล้วพอไม่ได้คิดอะไรเลยมีแต่นิ่งอยู่อย่างเดียวมีแต่ สวยหรือว่ายอมรับในจิตที่สงบนั้นเพราะมีความสุขเหมือนกับเราไปอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายมีความสุขมีเพียงแค่นั้นเหรอนเราได้อะไรถ้าเราอยู่เพียงแค่นั้นฐานะของเราจะดีขึ้นไหมมีแต่เข้าไปนอนในห้องแอร์ไปอยู่ในห้องแอร์เท่านั้นเราต้องทำงาน เราต้องหางานทําเราต้องทํางานเราต้องแสวงหาแหล่งทรัพย์ที่จะได้มาเราจะแสวงหาได้อย่างไรจากนั้นเราก็ออกจากการพักผ่อนห้องแอไปทําการทํางานทํางานประเภทไหนมีหลายประเภทที่เราจะต้องทําผลที่สุดก็เราก็จะเห็นผลขึ้นมาคือเงิ น, นคือหน้าที่การงานจดถามบรรดาศักดิ์ าลาบยศชนะเสริญสุขก็จะเกิดขึ้นมาผู้โ ส, ะสะแสวงหาแต่ถ้าเราไม่โ ส, ะสะแสวงหาเรามีแต่นอนมีแต่ความสุขในการกินการนอนเพียงแค่นั้นและจบเพียงแค่นั้นอันนี้คือสมาธิปัญญานี่ก็คือการออกไปโ ส, ะสะแสวงหาทรัพย์การโสแสวงหาทรัพย์ก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นการโ ส, ะสะแสวงหาทรัพย์นั้นยิ้ ม, ม มากมายหลายอย่างแต่ผลที่สุดก็คือต้องการเงินะจะได้วิธีด้วยยังไงก็ตามแต่วิธีการหานั้นต้องเป็นสัมมาทิฏฐิต้องถูกต้องตามหลักเหตุผลจิตระดับนี้จิตที่เป็นสมาธิจะออกเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ถ้าออกเป็นมิจฉาทิฏฐิออกไปทางผิดแล้วเห็นความเห็นผิดแล้วจิตถล่มออกไปทางนอกแล้วอันนั้นแทนเลยวะ วิปัจจโูวิปัจสโูอุปกิเลสกิเลสเข้ามาครองใจคือเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษตัวเองเป็นผู้เลิศเลอ ก, กว่าคนทั้งหลายอันนั้นต้องระวังอีกเหมือนกันแออปลว่ากิเลสใจลืมตัวใจไปยึดสิ่งภายนอกว่าเป็นตัวตนของเรานั่นแหละปะวใจที่เป็นวิปัจจโูอุปกิเลสอันนั้นก็ต้องระวัง แต่ถ้าทำมาแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเบาก็ยิ่งมีความสุขเป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายแต่ถ้าว่าจิตที่เป็นวิปัจสนูปักกิเลสแล้วใครๆเห็นก็ขยะข ย, ะข ย, ะยงเห็นแล้วเป็นบ้าหรือเปล่านี่วะทําไมพูดอย่างนี้ทําไมหลงตัวอย่างนี้ทําไมลืมตัวอย่างนี้แต่ตัวเองก็พยายามพยองพองตัวว่าเป็นคนบุคคลสําคัญขึ้นมาแต่คนอื่นเห็นหนั้นเห็นนั่นหน้าทุเรศ ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้เหรอทําไมผู้ปฏิบัติธรรมจึงเลอะเลือน เ, อ เ, อเอจึงทําตัวแบบนี้เนี่ยอันนี้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระพุทธเจา้าเป็นที่ยอมรับเป็นวางตัวให้ถูกต้องไม่มีอะไรที่จะแนบเนียนละเอียดที่ท่วนยิ่งกว่าหลักธรรมะเข้ากับใครก็ได้ทั้งหมดไม่เป็นที่ดูถูกเหยียดยั่ต่อคู่ขนเพราะเราวางตัวถูก แต่ถ้าเราวางตัวไม่ถู ก, กอย่างที่ว่าน่ะผลี่สุดจิตใจถึงจะปฏิบัติก็เถอะถ้ามันถล่มไปทางกิเลสแล้วทางอุบในทางวิปัจจชนูอุปกิเลสแล้วมันจะลืมตัวข้าเป็นใครอีกเหมือนกันนะ่ะข้าเป็นใครในระดับผู้ปฏิบัติธรรมเลยหน้าอันนั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพยายามมองคนอื่นมองตัวพยายามบังคับ ดูใจของเราให้อยู่ในในกรอะให้พิจารณาไว้อยู่เสมอสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นถ้าว่าพวกเราเห็นจิงไหนก็ตามจะเป็นนิมิตก็ตามจะจิตใจของเราออกในระดับไหนก็ตามถ้าเป็นธรรมแล้วมันจะเย็นแล้วจะน้อมลงไปในไตรลักษณ์มณิจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นนสิ่งไหนก็ตามถ้าถือว่าตัวเองเก่งตัวเองเลิศ ตัวเองเหนือกว่าเขาเน่ยอันนี้ยังเป็นอัตตาตูกบ้เล่อะปลาและจะจะเป็นธรรมได้อย่างไงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเนง่ปฏิเสธในแนวความคิดในจิตในใจของเราอีกภายนอกธาตุสี่ดินน้ำลมไปไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราแนวความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนของเรา เราจะไปยึดว่าร่างกายหรือ ว, ว่าจิตใจกระดาษร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนใจก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดภายนอกว่าข้าเป็นใครใอย่างนั้นเหรอหมันไม่ถูกท่านั้นนะมันยิ่งไปใหญ่เลยเพราะนั้นให้พวกเราดูสมาธิให้ดูดูใจของเรา ใ, ใจของเราเนี่ยตัวเนี้ย ที่ไปลุ่มหลงไปให้ความสําคัญพอไปให้ความสําคัญจึงไหนสิ่งนั้นสําคัญขึ้นมาคือหลงในความสําคัญของตนเองอีกนี่แหละจึงว่าให้มารูย้อนกข้ามาหาตัวผู้หูคือใจอย่าไปหลงนะใจนะนจะไปให้ความสําคัญนะขนาดตัวเองก็ยังเป็นอันจังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้นเยอะเกิด พอใจไม่พอใจใเกิดอยู่ในจิตในใจเย็บเย็บเจ็บเย็บย บ, ย บ, บางทีกับปีนโผล่ไปตัวเท่าอีแรงก็มีบางทีกับตัวเหมือนหิ้งห้อยก็มีอยู่ในใจมันอยู่ในเนี้ยถ้ามีสติมหาสติมหาปัญญาอย่างที่ว่านละเอียดเท่าไหร่ไปยิ่งละเอียดสติของเรายิ่งละเอียดดูใจของเราถ้าเราดูดูดู ในรายละเอียดแล้วนั่นนะแล้วเขาปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังนะทุกขังนะอนัตตานะใจน ะ, นะวางที่ใจถ้าปล่อยวางที่ใจแล้วนะหลุดพ้นใจไม่ยึดมั่นถือมั่นใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสกิเลสอยู่ในจิตใจราคะโทสะโมหะหลุดกระเด็นออกไป ใจของเราเป็นอิสระเป็นอิสระใจไหลเข้าสู่เป็นใจของเราเป็นธรรมธาตุใจของเราเป็นธรรม เ, รเป็นธรรมธาตุเป็นธรร ม, รรมใจไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวภายนอกเพราะพิจารณาทุกด้านเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยว เราก็พิจารณาปล่อยวางตรงที่ใจนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องของใจแล้วไม่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพูดถึงใจคือต้นตอของเรื่องราวต่างๆแล้วนั่นแหละความบริสุทธิ์หลุดพ้นทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูธร้ธทำหรือแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในธรรม ท่านไม่ได้หาที่ไหนหาอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจเความสุขที่แท้จริงนั้นคือความปล่อยวางที่ใจไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นปล่อยวางที่ใจแต่เมื่อปล่อยวางแล้วแต่ภายนอกล่ะเราจะปล่อยวางด้วยหรือไม่ภายนอกเรามีหน้าที่อะไรเราทําตามหน้าที่ที่จะต้องทําถ้าผู้มีธรรมแล้วจะรู้จักแยกแยะ ไม่ใช่ว่าจะปล่อยปล่อยวางข้างในแล้วจะปล่อยวางข้างนอกไม่ใช่ผู้ที่มีธรรมเท่ า, าไหร่ยิ่งขยันยิ่งรอบครอบอยิ่งหาที่ตําหนิไม่ได้ผู้ที่มีธรรมะทําผู้มีกิเลสเท่านั้นแหลอทําอะไรเป็นที่อผู้พบเห็นไม่สบายอกไม่สบายใจด้วยะเพอปล่อยวางก็ปล่อยวางจริงจรอง ขาววายึดก็ยึดจริงๆยึดไปหมดจนผู้อยู่ใกล้ผู้รู้เห็นอึดอัดอย่างนี้เป็นต้นถ้าปล่อยวางก็คือยึดทำคือหลักเหตุผลพระพูดไอ้เจ้าพอทำวินัยท่านมาอย่างนี้นะเราจะไปทําล้ำหลักทำวินัยนะเอาหลักทำวินัยเป็นกระจกเงาอยู่เสมอจะทำอะไรก็ตามต้องมีกระจกเงาคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราต้องเปรียบเทียบไปจนเสมอวันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่พาทำนะอย่างนี้หลักพระธรรมวินัยล่ะหลักพระธรรมวินัยท่านก็บรรญัดไปอย่างนั้นถ้าว่าหลักพระธรรมวินัยถึงจะไม่บรรจัดแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเข้าไปศึกษาเราก็จะเรียนรู้ว่านี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่พาทําอย่างนี้นะะในเมือเ่อไม่พาทำํำเราก็ยึดตามแนวแถวนะอะ่อันนี้ก็คือ การเป็นอยู่ทางด้านจิตใจก่อนอย่างที่ว่าทางภายนอกทางภายในถ้าว่าภายนอกก็คือศีลการเป็นอยู่ภายในก็คือธรรมเป็นแนวเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่เวลาวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ทางจิตใจไม่ได้มุ่งหวังทางโลกอะไรทั้งหมดหวังอะไร ถ้ารู้ขนาดนี้แล้วจะไปหวังอะไรไม่มีที่จะหวังนะอย่างถ้าว่าผู้ปฏิบัติทำเข้ามาส่วนลึกแล้วมันหวังอะไรหวังหวังกะลมลมแรงแรงหวังในความนึกคิดของตนเองเท่านั้นเองตัวเองไปให้ความสําคัญจุดนั้นจึงเขาจึงมีความหวังในเมื่อเราดูใจของเราแล้วเราไปหวังอะไร มันไม่มีอะไรที่จะหวังร่างกายของเรามีอะไรแอบพิจารณาให้ทุวนทีมีแต่ดินน้ำลมไยมีแต่อจุพระปฏิคูลอยู่ในนี้เลี้ยงดูทะนุถนอมกันอยู่ทุกวี่ทุกวันหลงตัว น, นี้อีก่งในเมื่อปล่อยวางตัว น, นี้แล้วไม่ยึดมั่นตัวมั่นร่างกายก็ยังไม่ท่กตัวตใจของเราเอีกไอดูใจของเราเอีก่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ถ้าว่ามาพูดถึงจุดนี้แล้วมันวนนะมันวนแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติแล้วฟังแล้วจะไม่วนนะแต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติถึงจุดนี้แล้ววนนะมกฝันว่างนานแบบงานสรุปแล้วก็คือกายกับใจท่านนะั่นเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผมได้พูดเบื้องต้นว่าการเป็นอยู่ต้องพึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่างองค์หลวงตาเป็นเวีรบุรุษทางธรรมท่านบอกกล่าวด้วยความองอาจกล้าหาญว่าเราไม่มีอะไรเราว่างงานการงานภายนอกเราก็ว่างใจของเราก็ว่างเพราะใจของเรามันยึดมั่นถือมั่น เราของใจของเราปล่อยวางเราไม่มีอะไรในใจเรามีแต่เมตตาในในใจชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราพิจารณาเมื่อไรเราก็บอกว่าเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกเป็นอนันตการนะใจของเราเป็นธรรมทานใจของเราเป็นธรรมนะอันนี้คือท่านยืนยัน แต่พวกเราท่านทั้งหลายที่ผมได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาแย่งกันนำลายของพระอริยเจ้าที่ท่านถุยออกมาแล้วพวกเราแย่งกันแย่งกันรับกันเรียกันให้เอามาว่าเป็นของเลิศประเสริฐนี่แหะ พวกเราอยากจะยึดอย่างนั้นให้ยึดธรรมธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือเหตุผลธรรมะคือความปล่อยวางแต่เมื่อเราเป็นอยู่ในระดับหนึ่งถึงเราจะยึดก็จะไปหลงอันนั้นคือปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วครัง้งชั่วข้าวเท่านั้นแต่เราพยายามทําให้ถูกต้องถึงจะมีมากก็มีมากด้วยความเป็นธรรมถึงจะมีน้อย ก็เป็นน้อยมีน้อยด้วยความเป็นธรรมบริหารจัดการให้เป็นธรรม อ, อย่าไปโลภโโมกณะนะอยากไปใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เ, อเพราะถ้าเราใชไ้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกนะเป็นดาบสองคมรับทรัพย์สมบัติที่เราได้มาแต่ถ้าเราใช้ให้ถูกต้องความเป็นธรรมมันก็จะเป็นธรรมอันนีค้คือการบริหารจัดการการวางตัวของพวกเรา ที่ผมได้พูดในวันนี้ก็ลากหลายในแนวความคิดจุดๆนี้อีกเหมือนกันจากนั้นเราก็เนี่ยจุดสูงสุดหรือว่าจุดที่พวกเราจะต้องศึกษาจริงๆจิตที่จะทำจิตใจของพวกเราให้หลุดพ้นจริงๆหรือจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำสัง่งสอนพวกเรานั้นจุดสูงสุด คืออะไรอันนี้ผมก็เลยเน้นมาถึงจุดนามธรรมคือใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเอาสมาธิและก็เดินปัญญาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลพิจารณากายพิจารณาการเป็นอยู่พิจารณาสิ่งภายนอกรู้แจ้งรู้เท่ารู้ทันว่าสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่<ม> เ, เป็นธาตุเป็นขันการเป็นอยู่ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญ สิ่งนั้นก็ใหม่สําคัญใจไม่ให้ความสําคัญสิ่งนั้นก็ใหม่สําคัญถ้าใจไปให้ความสําคัญเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็สําคัญเพราะฉนั้นเราต้องใช้ปัญญาว่าควรจะให้สําคัญอย่างไรไม่ให้ทำความสำคัญอย่างไรก็ม า, รรามาหาใจทีนี้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดปล่อยวางลงที่ใจถ้าใจไม่มีกิเลสราคะโธสะโมหะแล้วนะใจของเราจะเบามีความสุขเพราะใจปล่อยวาง ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นใจเป็นธรรมธาตุอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บอกได้กล่าวนะวันนี้การพูดการแสดงธรรมหรือการอบรมธรรมะภ า, าคปฏิบัติก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดไว้เพียงเท่านี้ต่อ น, นี้ไปก็ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาสักกันหนึ่งนะธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยเป็นไฟบังคับเบางนั้นให้พวกเราได้ฟัง ธรรมะของดวงตาสักกานหนึ่งต้องอยแยกย้ายกันกลับ